ต่อไปนี้สำนักงาน กพส. มอบให้คณะมิตประสาน 80 พันษา 5 พรรษา 2550 รวมพลังไทยพลัง ร่วมทั่วไทยองค์ราษฎรหมอกสลายที่กลาง คือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีชุมชนที่เข้มแข็งมีชีวิต ต่อไปนี้ขอ<อง> มาเรียนสรูเรื่องหรอเชื่อลบออกไปเดี๋ยวก็กลับไปใช้อีกลบนะครับถึงลูกเลือก หมอสลายที่ปลายฟ้าตอนที่ 26 เสียกลับพวก ไม่ยอมให้จับโดยง่ายยอมให้จับโดยง่าย เล่นกันมันหยดทรัพย์กัญจนาร่วงเลยจ้ะผู้ ขอน้ำกินทีเอ็งเล่าซะยังก็อยู่ในเหตุการณ์จนณ ถ้าสงสัยจะมีพระดีก็เลยแค่เลือด มันก็เหมือนอาจไม่รอดก็ได้นะเด็กๆ เตยถูกตำรวจมัดคุมตัวไปที่โรงพยาบาลค่ะอะไร ฉันว่าแต่ว่าพ่อของคุณจะมีส่วน แต่ก็ยังช่วยอะไรไม่ได้ก็ยังช่วยอะไรไม่ได้นอกจากขอให้คุณ และโอกาสใน มาที่บ้านด้วยอย่างว่าไอ้อื่นยังไงพี่นํา แล้วละนั้นเชนี้บางทีเข้าจักรต่อไปหรือไม่ ไปดูอะไรในตู้เฮ้ยโอ้โห เธอมากินแล้วใส่น้ำชาคือมองไฟไฟจะรู้ว่าเมื่อแบบเองค่ะแต่ค่ายอมไม่พูดอะไรแล้วเองไหนอื่นจะพลึ่งพวกไหมว่าท่อยถ้าในยักตาสมีจุแล้วว่าอีกจอดแล้วจะชายอยู่ทําไหมแล้วค่ะ อันนี้สิตะแกงขายมันอะไรไม่หมดเลยนะเอ้ยนี่คอย ทำไมมาเตือนกับหมอแล้วก็ครูใหญ่ได้ล่ะน่าจะถึง ถ้าไม่รู้จริงๆรู้จริงๆก็วิ่งไปถามเตี้ยหรือพี่ชายหมอไปค่ะค่ะ เราไม่จะเสียชื่อนะครับคุณใหญ่ ลายกำแพงใจให้อภัยให้โอกาสผู้เลิกยา สำนักงาน ปปส. กระทรวงยุติธรรมโชคดีที่ ก็สักโศธเราทางทีอย่างงี้เรียกว่าคน พี่จูมันเล่นไปอยู่กับใจหมอหวานตั้งแต่ ครับร้องว่าอยากให้เจ๋งลีลีลีเอานี่นะชินๆแป๊ะๆเค้า อย่างนี้ล่ะคะคุณตลาดหรือถูกใครแขกใจมาหรือ แล้วที่สามัญมือปืนเพราะไม่มีหลักฐานอะไรตัวที่ทั้งๆที่มี ก็ไม่รู้ไม่เห็นหรือไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลยไม่ถึงไม่เชื่อไม่เห็นหรือไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลย มีมั่นใจค่ะ ชั้นมันจะผ่านนะผู้ใหญ่จะๆเข้าใจชั้น รับผิดชอบในสิ่งที่พ่อแม่ทํา สงสัยจะต้องกลับซะทีอ้าวไปค้างด้วยกันที่นี่เหรอจ๊ะนี่อ๋อไม่เป็นไรครับผม ได้สัญญาว่าไม่ขายไปขายแน่ๆแต่ถ้ามีคนซื้อ นี่นี่เหรอจ๊ะพี่แสงดูแล้วน่าว่าแรงดีพี่ ตาก็ไม่ทําอะไรให้ยายไม่สบายใจอีก Hãy เร็วเท่าไหร่ได้ยิ่งดีมันจะได้ อ่อนทิงติงว่าอีชากิมเท่าอีกเม 3 เม็ดปวงไม่ให้มันเมาให้ เหี้ยทำมามองหาเฮ้ยเอ้ย แต่ว่ามันอดคิดถึงคุณคิมจูไม่ได้ นี่ยังรถมันร้อนน่ะป้าเนี่ยให้ คําแปรใจให้อภัยให้บริษัทไคโรยูเนียนทราจํากัด 70 ถ้าเขามีโอกาสได้ทํางานเขาจะมีรายได้มี เสด็จมีรันต่อไปนี้อาทรภาติพัฒนะสินดาเกียรติสิริประยงคุณชูกิจาสถิตย์ ละคร 13 ประเสริฐศักดิ์คณะฐานอาสาผู้คงเสียรอาทรภาธิภัตนะบินดา